3.15 สศรัทธาของปุถุชนยังคลอนแคลนแต่ศรัทธาของพระอริยเจ้าแน่นแฟนวงเล็บเปิด 31. มีนาคม2550ห้าในวงเล็บหนึ่งจุดจุดนาที1วงเล็บปิดสติยิ่งเกิดบ่อยยิ่งดีการที่เรามีสติรู้กายมีสติรู้ใจมันจะเพิ่มอินทรีย์ตัวอื่นขึ้นมาโดยอัตโนมัติแล้ว เ, เพิ่มได้อย่างสมบูรณ์ด้วยพอเรามีสติรู้กายรู้ใจเนืองๆพอสติเกิดเราก็มีความสุข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 เป็นศรัทธาที่เคลื่อนไหวได้คลอนแคลนได้แต่พระอริยเจ้าตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปนี่จะมีศรัทธาแน่นแฟ้นในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่มีคลอนแคลนอีกต่อไปแล้วเพราะอะไรเพราะมีปัญญามีสติจนมีปัญญาเห็นความจริงเจริญสติแล้วจิตมีสตินะมีสมาธิมีปัญญาขึ้นมาเรียกว่ามีวิริยะอยู่ก็เจริญสติสมาธิปัญญาต่อเนื่องไปเรื่อยๆจิตใจยิ่งเข้าถึงความสุขความสงบ เข้าถึงความจริงมากขึ้นมากขึ้นจะยิ่งศรัทธามากขึ้นเรื่อยๆเบื้องต้นก็ยังเป็นศรัทธาที่ไม่แจม่มแจ้งแต่ถ้าศรัทธาแล้วอย่างพระโสดาบันนี่ศรัทธายอมเป็นยอมตายเลยสละชีวิตถวายให้พระพุทธเจ้าได้ตลอดเวลารักครูบาอาจารย์มอบกายถวายชีวิตจริงๆเลยอย่างสมมติว่าครูบาอาจารย์จะเดินขึ้นอย่างนี้แล้วขึ้นไม่ไหวสูงไปแก่แล้วพร้อมจะเอาหัวไปร้องให้ท่านเหยียบขึ้นไป นี่คือจิตใจของผู้ปฏิบัติขณะนั้นส่วนศรัทธาของปุถุชนนะคลอนแคลนเชื่อไม่ได้หรอกเพราะอะไรเพราะยังไม่เห็นความจริงว่าการปฏิบัติธรรมมันดีวิเศษอย่างไรทีนี้พระโสดาบันศรัทธาสุดชีวิตจิตใจแล้วแต่ความรู้ความเข้าใจนี่ยังไม่แจ้งนะขนาดความรู้ความเข้าใจยังไม่แจ่มแจ้งก็ศรัทธาสุดชีวิตแล้วไม่แจ่มแจ้งในอริยสัจนั่นเองใจลึกๆมันจะรู้สึกตลอดเวลาเลยว่ามีอะไรบางอย่างที่ยังไม่รู้อยู่อีก มีอะไรบางอย่างที่ยังต้องสแสวงหาอยู่ก็ต้องตามรู้กายรู้ใจไปเรื่อยนะจนวันหนึ่งมันแจ้งอริยสัจขึ้นมาทึงรู้เลยสิ่งที่ไม่รู้ก็คืออริยสัจนั่นเองจําไว้นะจําไว้ชาตินี้บางคนจะได้ใช้บางคนยังไม่ได้ใช้ก็จําไว้ก่อนแล้วเจริญสติไปนะชาติต่อๆไปบางทีภาวนาไปติดขัดถึงจุดนี้อาจจะเห็นหลวงพ่อไปสอนได้นะสิ่งที่ครูบาอาจารย์สอนสะสมกันนานนะมีพระบางองค์ภาวนาติดขัดนะ ครูบาอาจารย์ที่เคยสอนไว้ตั้งแต่พศ300คำสอนนั้นกลับมาอีกนะสังสารวัตมันน่ากลัวตรงที่มันปิดบังตัวเองได้เราลืมทุกสิ่งทุกอย่างนะแต่ว่าพอเราภาวนาจนจิตของเราเปิดขึ้นมาแล้วมันไม่มีอะไรปิดบังขัดข้องจะเห็นความน่ากลัวของสังสารวัตรอย่าพยองอย่าลำพองนะพวกเราตกนรกได้นะยังตกได้ทุกคนในห้องนี้ที่หลวงพ่อดูอยู่ไม่ได้ลำเอียงนะดูจริงๆ ยังพร้อมจะตกนรกเมื่อไหร่ก็ได้นะอย่าประมาทธรรมะต้องศึกษาต้องเรียนต้องปฏิบัติคอยรู้ลงมารู้ในกายรู้ในใจนี้ชาตินี้ถ้าอินทรีย์แก่กล้าพอแล้วก้าวกระโดดไปก้าวกระโดดได้มรรคผลได้ปลอดภัยพระโสดาบันนี่นะมีอนันตาริยกรรมฝ่ายดีเกิดโสดาปฏิมรรคโสดาปฏิผลอนันตาริยกรรมฝ่ายดีเนี่ยส่งผลเมื่อเวลาตายจะไม่ไปทุกขติ แตอุศลทั้งหลายที่เราทำแม้แต่เล็กๆน้อยๆ น, น, นะจะตามไปให้ผลได้ฉะนั้นอย่าประมาทนะว่าเราทำชั่วไปก่อนเดี๋ยววันหนึ่งเราบรรลุมรรคผลนิพพานแล้วกรรมชั่วตามเราไม่ทันไม่ใช่นะเข้าใจผิดกระทั่งพระพุทธเจ้ายังไม่ได้รับยกเว้นเลยท่านอธิบายหมดเลยว่าเพราะอะไรเพราะอะไรที่ท่านต้องผเผชิญกับความทุกข์ในชีวิตของท่านทาไมถูกเขาด่าทาไมท่านต้องไปบาเพ็ญทุกกรกิริยาตั้ง6กปี ทำไมท่านหิวน้ำแล้วไม่ได้ดื่มน้ำท่านมีเหตุมีผลทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นกรรมชั่วที่เราทำนะถึงจะไม่ส่งผลให้เราไปเกิดเรียกว่ากรรมไม่ได้ให้ผลในปสูติการในขณะที่เกิดกรรมก็จะตามให้ผลในปวัตติการปรวัตติการคือหลังเกิดเพราะฉะนั้นอย่างเราย่ามใจทาชั่วเต็มที่เลยเดี๋ยวเราภาวนาเป็นพระโสดาบันแล้วปลอดภัยเกิดชาติต่ตอไปนะในทางธรรมะก็ยังเจริญไปได้นะ แต่ว่าชีวิตเนี่ยจะแสนสาหัสเลยพวกเราสังเกตไหมครูบาอาจารย์แต่ละรูปนะมีสมบัติไม่เหมือนกันหลวงปู่ดูลจนนะแต่หลวงปู่ดูลนี่ปัญญาไม่มีใครเหมือนหลวงปู่ดูลเจริญปัญญามากเน้นตรงนี้มากหลวงปู่เทศใครเคยทานท่านจะรู้เลยเครื่องใช้ไม้สอยของท่านนะยังกับพระราชาเลยจานของท่านต้องจานคริสตัลคนมาประครบประงมท่านแม้กระทั่งโกดใสอธิของท่าน เป็นโกรทองประดับเพชรประดับพลอยท่านสร้างของท่านมาอย่างนั้นแต่ละองค์ไม่เหมือนกันอย่างอาจารย์มหาบัวเห็นไหมคนแวดล้อมมหาศาลเลยไม่มีครูบาอาจารย์รูปไหนที่คนแวดล้อมมากเท่านั้นท่านก็สร้างของท่านมาทั้งฝ่ายดีทั้งฝ่ายชั่วนะดังนั้นเราอย่าประมาทการทําชั่วสักเล็กสักน้อยนะกรรมดีทําได้รีบทําไว้มีผลแน่นอนถ้าเราความจําดีมองย้อนลงไปไว้ได้นะจะหนาว สังสารวัตนี้มันน่ากลัวจริงๆนะเพราะมันปิดบังตัวเองได้อย่าว่าแต่สังสารวัตรยาวไกลเลยสมัยก่อนมีนิทานเล่า ก, กันว่าผู้หญิงมีสามีชอบนะพอตอนออกลูกวยวายว่าเจ็บสมัยก่อนไม่มีผาออกนะบอกว่าเข็ดแล้วไม่มีอีกแล้วบางทีด่าสามีว่ามาทาให้เราเดือดร้อนสมัยก่อนคลอดลาบากอีกปีหนึ่งคลอดอีกแล้วก็ด่าประโยคเดิมอีกแล้วทาไมละ่ะเพราะมันลืม พอความทุกข์ผ่านไปความเผ็ดร้อนผ่านไปมันก็ลืมนี่เห็นไหมสังสารวัตรน่ากลัวอย่างนี้เราพร้อมที่จะทำผิดซ้ำแล้วซ้ำอีกใจบอกว่าไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเหมือนพวกเข้าคุกเข้าแล้วเข้าอีกตอนเข้าคุกออกมาบอกว่าจะไม่ทำอีกแล้วแพลบเดียวเข้าไปอีกแล้วสังสารวัตน่ากลัวมันปิดบังตัวเองเราลืมความทุกข์ลืมความเผ็ดร้อนลืมทุกข์ลืมโทษนรกนี่ผ่านมาแล้วทุกคนนะ เดราชานเป็นมาแล้วนะมีพระรูปหนึ่งชาตินี้ภาวนาไปลิ้วๆเลยเมื่อสองสมชาติก่อนยังเกิดเป็นบัวเลยพลาดพลัง้งก่อนที่จะเกิดเป็นบัวท่านเกิดเป็นพระเกิดเป็นพระในยุคซึ่งมีประเพณีเหลืออยู่เนื้อหาแท้ๆของธรรมะไม่มีใช้ชีวิตหมดไปวันๆหนึ่งไม่ได้ทำประโยชน์อะไรเลยปริยัติก็ไม่มีจะเรียนปฏิบัติก็ไม่เป็น เล่นอะไรเผลอเผอเพลิเลเลนเพินไปวันวันหนึ่งไม่ได้ทำกรรมชั่วอะไรหรอกแต่ไม่ได้ทำคุณทำประโยชน์ให้สมกับเป็นพระอยู่กับพระน้องชายพระน้องชายทำอะไรก็ไม่เป็นเหมือนกันแต่ชอบแกะสลักแกะช่อฟ้าใบรากาของเขาไปเรื่อยพี่ชายทำอะไรไม่เป็นนะช่วยเขาสหน่อยก็ไม่ช่วยนะได้แต่นั่งดูว่างๆก็ไปนั่งริมน้าชมนกชมไม้ชมเรือตายไปไปเกิดเป็นวัว แต่ว่าไม่ได้ทํากรรมชั่วอะไรนะชาวบ้านก็เอามาถวายวัดเดิมกลับมาอยู่วัดที่บวชแล้วตกน้ําตายวัดนั้นมันน่ากลัวนะสังสารวัตรครูบาอาจารย์อีกองค์หนึ่งเคยเล่าให้หลวงพ่อฟังว่าตั้งแต่เด็กๆนะใจท่านไม่ชอบทําบาปทํากรรมอะไรพอท่านบวชแล้วท่านภาวนามาช่วงหนึ่งนะท่านเกิดกําลังใจห้าวหาญว่าชาตินี้ท่านต้องจบให้ได้เพราะท่านเกิดจําได้ว่าชาติก่อนๆหน้านี้อาจจะไม่ได้ติดกันนี้เลยไปหน่อย ท่านเคยเกิดเป็นวัวเหมือนกันเห็นไหมพวกที่เวียนบวชนี่ชอบมาเป็นวัวเป็นควายนะถ้าไม่ตกนรกคือมาใช่นี่เขาของท่านเป็นวัวเจ้าของเขาเลี้ยงไว้อย่างดีทําไร่ทํานาไปวันหนึ่งเจ้าของไปทุระก็กะว่าจะไปทุระประเดี๋ยวเดียวเอาหลักมาตอกไว้กลางท้องนากลางแจ้งนั่นแหละเอาเชือกผูกคอไว้ให้กินหญ้าเสร็จแล้วเจ้าของมีทุระติดพันุ์ไม่กลับมาวัวถูกผูกไว้ตั้งแต่เช้ายังไม่ทันจะกินน้ําเลยนะ ก็กะว่าจะไปสิบนาทีอะไรอย่างนี้แต่เอาเข้าจริงไปทั้งวันตากแดดอยู่ทั้งวันเลยท่านบอกว่าได้รับความทุกข์ทรมานจากการกระหายน้ําอย่างรุนแรงพอเห็นคนมาก็ดีใจนะหกหน้าหกหลังจะขอเขากินน้ําคนก็ตกใจคิดว่าวัวบ้าหนีไปหมดเลยท่านบอกว่าท่านเห็นภายของสรรสารวัตแสนสาหัสเลยนะท่านจะไม่เกิดอีกแล้วท่านภาคเพียพรภาวนาของท่านสุดๆเลยท่านเล่าให้หลวงพ่อฟังว่าการภาวนาของท่าน วัดป่าปกติตีสามไปนั่งสมาธิรวมกันเช้าใกล้จะได้อารุณทำวัดออกไปบินธบาตกลับมาฉันเดินจงกรมนั่งสมาธิไปตกข้ามทำวัดเย็นแล้วก็นั่งสมาธิต่อไปถึงสี่ทุ่มท่านบอกว่าท่านไปก่อนตีสามทุกวันเลยท่านรู้สึกว่าตื่นตีสามประมาทไปท่านไปก่อนตีสามอีกสี่ทุ่มเพื่อนเลิกหมดแล้วท่านก็ไม่เลิกอยู่ไปถึงห้าทุ่มเที่ยงคืนอะไรแบบนี้ท่านฝึกฝนตัวเองด้วยวิธีนี้ ท่านบอกว่าท่านไม่ฉลาดท่านแลกมาด้วยกําลังสุดฤทิ์สุดเดชแบบตายเป็นตายเลยนะท่านเป็นพระที่ภาวนาดีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่สุดรูปหนึ่งเหมือนกันเป็นรูปที่เคยชี้ให้หลวงพ่อดูมหาสุญญาตาประโมทเห็นไหมมหาสุญญาตาในลูกกรงกุฏิท่านมหาสุญญาตาเห็นไหมเห็นมหาสุญญตาในพื้นไม้นี้ไหมเห็นมหาสุญญตาในพื้นอิดข้างล่างไหมเห็นมหาสุญญาตาข้างหน้านี้ไหมล้วนแต่ถามแบบประหลาดนะเราก็ตอบต่อไป ท่านก็บอกว่าพอแล้วจบแล้วหมดหน้าที่ของท่านแล้วดังนั้นเราอย่าประมาทนะชาตินี้เป็นโอกาสที่ดีที่สุดของเราแล้วบารมีทั้งหลายต้องสร้างทั้งนั้นเลยไม่ใช่มีแต่ปัญญาบารมีนะอย่าทำบาปศีละบารมีทานนบารมีเนกขมมะบารมีทุกอย่างแล้วเราจะเอามาใช้ครั้งสุดท้ายตอนทำสงครามแตกหักถ้าบารมีของเราไม่เต็มเราจะถอยเลยจิต ด, ดาเนินไปถึงตรงที่จะเข้าสู่สงครามแตกหักครั้งสุดท้ายแล้ว เหมือนเราเข้าสู่สมรภูมิที่ไม่มีทางถอยแล้วถ้าเรานั่งอยู่ต่อไปนะไม่บ้าก็ตายจะรู้สึกอย่างนี้เลยถ้าเราลุกขึ้นก็จะเอาตัวรอดแล้วจะมีความสุขที่สุดในโลกคนในโลกจะไม่มีความสุขเหมือนเราแล้วแต่เราจะต้องตกเป็นทาสของมารตลอดไปต้องอาศัยบารมี1ิบอย่างที่เราสร้างมานั่นเองมาสู้กับมารห้าอย่างมารมีห้าตัวนะบารมีมีสิบตัว ในตําราเราชอบพูดว่าเหลือพระพุทธเจ้าอยู่องค์เดียวใช่ไหมแล้วมารมาเป็นกองทัพเลยมารมาเป็นกองทัพก็จริงนะแต่กองทัพมารอยู่ในห้าตัวนี้แหละมีมารทั้งห้าตัวพระพุทธเจ้าบอกว่าอยู่ลําพังแล้วเทวดาห น, นีไปหมดคือจิตที่สแสวงหาความเป็นพุทธหรือโพธิจิตนี่ในขณะที่ผจญกับมารครั้งสุดท้ายจะโดดเดี่ยวเดียวได้สุดๆเลยเหมือนว่าไม่มีที่พึ่งที่อาศัยใดๆอีกพระพุทธเจ้าท่านก็นึกถึงโพธิปัจฉิยธรรม คือธรรมะฝ่ายดีที่ท่านสร้างมาสาสิบเดประการย่อลงมาก็คือบารมีสิบนั่นแหละท่านได้สิ่งเหล่านี้เป็นกําลังสู้กับมารมารมาไล่ให้ลุกจากอาสนะให้ลุกไปถ้าลุกไปจะได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิมีความสุขที่สุดเลยนะถ้านั่งต่อไปตายแน่ตายก็ตายท่านไม่ลุกนะอาศัยบารมีทั้งหมดมาช่วยในนาทีสุดท้ายอย่างทานบารมีเราฝึกให้ทานเนี่ยขั้นสุดท้ายคือการสละชีวิตใช่ไหม ตอนท่านเป็นพระเวสสันดรท่านตั้งใจเลยว่าใครขออะไรท่านจะให้หมดเลยแม้กระทั่งชีวิตในนาทีสุดท้ายที่สู้กับมารความตายรออยู่ข้างหน้าแล้วกล้าสละชีวิตที่จะไม่ถอยนะไม่ถอนจิตออกจากการปฏิบัติที่กำลังตะลุมบอลอยู่เนคขมะบารมีก็มาช่วยนะมารบอกว่าถ้าถอยไปจะให้ครองสมบัติอันยิ่งใหญ่ของโลกจะมีความสุขที่สุดในโลกเลยท่านสละแล้วความสุขอย่างนี้ไม่เอาแล้วตายก็ตายนะจะเอาธรรมะ ต้องมีศีลพร้อมมีปัญญาเข้าใจความจริงของกายของใจมานย่มยีได้แต่ขันนะมานแยํายีเข้ามาไม่ถึงธรรมชาติรูทที่บริสุทธิ์นี่เองฟังๆไว้นะชาตินี้อาจจะได้ใช้หรือไม่ก็ชาติต่อๆไปนะไม่มีใครเข้าสอนกันหรอกนะ